คริสผมรู้สึกคล้ายๆมีอะไรมาบังคับให้ผมต้องพูดคล้ายตกอยู่ในอำนาจสะกดจิตนี่ละพีนไม่มีใครเก่งพอที่จะสะกดจิตคุณได้หรอกมันเกิดจากความเจ็บปวยของคุณนะ่ะทำให้ดวงจิตมันอ่อนลงแล้วอะไรต่ออะไรในใจมันก็ระบายออกมาเอง คุณก็ระบายออกมาใชมั่งเธอระพินอย่ากเก็บอัดอั้นไว้คนเดียวเลยมันจะช่วยสมองของคุณคลายความตึงเครียดลงฉันว่าในชีวิตส่วนตัวของคุณมันไม่น่าจะมีความลับอะไรอันจะเปิดเผยให้ใครฟังไม่ได้นะอยากจะพูดอะไรก็พูดสิคุณแม้แต่อยากจะด่าหรือว่าอะไรฉันหรือใครในพวกเราก็ระบายออกมาให้หมดไม่มีใครถือสาคุณหรอก พูดสิฉันคริสตินากรูบิลหรือไลล่าอามิเต็ดคนเนี้เป็นผู้หญิงกาลกินีชั่วช้าอันตรายที่คุณต้องระวังตัวให้มากที่สุดใช่ไหมรับพินสันศีสะชะชะชะันช้าชาโนผมไม่เคยคิดอย่างนั้นนะคริสคุณจะชั่วช้าอันตรายกับใครยังไง ผมไม่รู้แต่คุณเป็นมิตรที่ดีที่สุดคนหนึ่งของผมเท่าที่ผมเคยมีมิตรมาแต่ฉันเป็นคนสัมสอนในเรื่องเพศเรื่องแพทสยามเป็นกรารวิปริตชอบยั่วผู้ชายและทำร้ายร่างกายเขาอย่างซาดิสซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นค่าเพื่อสนองราคาตัณหาไง n นโนโน ผมไม่เคยเห็นและไม่เชื่อไม่ว่าจะจากปากคุณเองหรือจากใครแล้วคุณคิดว่าฉันเป็นอะไรเป็นใครเป็นใครไม่รู้แต่สวยมีสเสน่ห์บางขณะก็น่ารักที่สุดที่องค์การประมวลข่าวกลางของสารัฐ ใช้ให้มาทำงานในครั้งนี้ออรู้สึกผิดข้จะทำให้คุณพูดได้อย่างชนิดที่ฉันไม่เคยคิดฝันว่าจะได้ยินมาก่อนนะคุณสางคายเมื่อไหร่ก็คงจะละลายหายไปกับความลืมนะคริสคุณอนุญาตให้ผมพูดผมก็พูดผมนุกอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึง่ง อะไรทำไมอะคริสทำไมคุณต้องโกหกผมด้วยเกี่ยวกับเรื่องดรสแตนลีย์เรื่องอะไรอ่ะคุณก็เรื่องที่คุณสวมรอยยอมรับว่าคุณเคยมีสัมพันธ์กับเขาอะอ่ะก็จะให้โกหกหลอกลวงได้งไงแต่มันไม่จริงอะคริส แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงดรสแตนลีย์เขาบอกผมหมดแล้วอะว่าเขาเมคเรื่องโจ๊กขึ้นเท่านั้นแล้วมันมีอะไรสำคัญนักเหรอระพินเกี่ยวกับเรื่องนี้อะมันจำเปน็นอะไรผมอยากรู้ว่าทำไมคุณถึงโกหกผมก็ถามอยู่นี่ไง มันมีอะไรสําคัญนักหรอพินเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่ามันจะจริงหรือเทนะ็ตนั่นจีนะผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันมีอะไรสําคัญนักสําหรับผมแล้วทําไมมันต้องสําคัญด้วยเขาพูนพรรมออกมาอย่างฉงนตนเองแล้วก็ต้องมาย้อนถามคุณซ้ำอีกทําไม ที่ถามก็เพราะมันเกิดคานกันใช่แล้วคุณอ้างว่าเคยหน้าตาเฉยส่วนเขากลับเป็นฝ่ายมาปฏิเสธบอกว่าเป็นเรื่องโจ๊กคุณไม่เคยมีอะไรกับเขาทำไมถึงต้องบอกว่ามีด้วยะ่ะคริสอ่ะก็อยากให้คุณเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นน่ะเพื่ออะไรกันคริส ก็จะได้สะสากระจคุณไงอย่างน้อยก็จะได้บอกกับตัวเองว่าไอ้ที่คิดไวนะ้น่ะมันไม่ผิดหรอกคริสสาบานนะว่าผมไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนซึ่งคนอื่นจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เออนี่ผมก็พูดถามอะไรเลอะเทอะไปมากสินะคุณก็พูดไปเหอะ พูดตามที่อยากพูดนั่นแหละโอกาสพูดของคุณมีน้อยเอาแต่พาเดินเดินแล้วก็พูดเฉพาะแต่เรื่องงานเครีย ด, ดเท่านั้นไม่อมิฉะนั้นก็พูดแดกดันเหน็บแนมตลอดเวลาทําไมอะคุณทําไมคุณต้องเกลียดฉันด้วยผมเกลียดคุณเหรอก็สายตาไงกิริยาไง และปฏิบัติการของคุณมันก็บอกชัดนี่แม้ว่าบางขณะคุณอาจจะเคยแสดงน้ำใจอ่อนโยนที่ดีงามต่อฉันเป็นพิเศษในเวลาที่ฉันเจ็บป่วยคุณเคยปลอบโยนฉันเคยกล่าวคำกรอนเราอให้ฉันฟังในคืนหนึ่งที่ฉันป่วยก่อนจะไายขึ้นหน้าผาอินซีคุณจำได้ไหมแล้วคืนนั้นฉันก็หลับไปได้อย่างเป็นสุข ฉันไป ค, คิดมาก่อนจริงๆนะว่าพรานใครที่มีชีวิตกรากรัมอยู่แต่ในป่าดงอย่างคุณจะมีความอ่อนโยนแล้วก็โรแมนติกได้ถึงเพียงนั้นคุณซ่อนมันไว้มิดชิดเหลือเกินภายใต้สีหน้าท่าทีอันหยาบกระด้างระพินนี่คริสก็ น, นี่ในที่สุดก็มีเสียงกล่าวขึ้นว่า คุณคุณจะมองดูผมเงียบๆอย่างนี้เหรออาแล้วใจฉันทำอะไรให้มันดีไปกว่านี้หรอคุณหลับซ ส, สิฉันจะไม่หลับก่อนคุณหรอกประพินคริส <Please. S 1> ผมกลัวผมกลัวว่าถ้าหลับไปแล้ว จะไม่มีโอกาสตื่นอีกนะระพินคุณต้องตื่นสิอย่างน้อยก็เพื่อผู้หญิงคนที่คุณรักและกำลังรอคอยคุณอยู่เบื้องหลังไงคุณให้กำลังใจผมเหลือเกินฉันปรารถนาดีต่อคุณนะระพินแล้วก็ปรารถนาดีกับเธอผู้นั้นด้วย นี่คือใจจริงของฉันนะระพินคริสการุณาเอะไรเฟินที่มันขวางกั้นระหว่างผมกับคุณออกหน่อยได้ไหมขอโทษนะที่ต้องขาดใจไม่ได้อะให้มันขวางกั้นไว้แบบนี้แหละถูกต้องแล้วรบพินถ้างั้น ถ้างั้นคุณทำอะไรสักอย่างก็ได้นะให้ผมหลับตัวยาของคุณมันออกกทธิ์ช้าจังเลยเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมหรือไม่งั้นก็ขอแวร์เลียมอีกสักห้ามิลเฮอะ เ, อเริ่มฟุ้งซ่านอีกแล้วคุณอะเอางี้ดีกว่าคุณชอบบทกรนที่เกี่ยวกับความรักความคิดถึงไม่ใช่อะ งั้นฉันจะกล่าวให้ฟังกัไหมบางทีคุณอาจจะหลับลงได้คุณเคยฉันมาก่อนแล้วคราวนี้ฉันจะลองให้คุณมั่งละก็ลองดูสิคริสคริสติน่านิ่งไปนิดหนึ่งก็กล่าวขึ้นแผ่วๆด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นชัดเจนเว้นช่วงเป็นระยะถอดความเป็นภาษาไทยได้ว่า ความคิดถึงของฉันที่มีต่อเธอมันจะทำให้ฉันลืมปฏิบัติภารกิจอันควรกระทำเสยสิ่งแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่คนทั่วไปจะเป็นปฏิบัติชีวิตฉันก็มีความสุขราวกับพระราชนี มันช่างเป็นความงู้งั่งเซนิกระไรในทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างฝันนั้นขึ้นมาความคิดคิดคำหนึ่งที่ฉันมีต่อเธอก็ได้แต่เฝ้าหลงคอยเธออยู่ที่นี่เองเธอจะไม่มีวันรู้หรอกว่าการเวลาผ่านไป อย่างเชื่อช you know, ้าเพียงไหนจนกว่าฉันจะได้ไม่มาอยู่ใกล้ชิดเธอในดอกไม้ทุกๆดอกมีดวงหน้าของเธอปรากฏให้เห็นดวงตาของเธอฝากไว้กับโวงดาริกาเบื้องบน คิดที่ถึงเธอรำพึงถึงเธออยู่ชนี้แหละสุดที่รักเอยรพินภัรวันหลับไปแล้วลมหายใจระรวยแผวสม่ำเสมอแต่คริสติน่ายังนอนมองดูดาวบนฟ้าอยู่เช่นนั้น137อาอรุณเริ่ม เหนือหุบเขาห้วยเสือร้องดารินและคณะตื่นขึ้นพร้อมกันเมื่อฟ้าเริ่มสางแต่นานอินขยินและพวกลูกหาบตื่นกันก่อนแล้วตามหน้าที่ทุกคนอยู่ในภาวะเตรียมตัวที่จะออกเดินทางบุกบันต่ออย่างชนิดไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้โดยเฉพาะเชื้ทาชยัยันและอนุชาสมบูรณ์เต็มที่ทั้งด้านกำลังกายและกาลังใจ เนื่องจากพักผ่อนกันได้เต็มที่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังเวลาอาหารเช้าและระหว่างการเตรียมเก็บข้าวของกันยังเร่งด่วนของฝ่ายพวกลูกหา่าดารินมีโอกาสได้พบกับซอกาเล่อีกครั้งหนึง่งพร้อมกับโบเมียและกะเหรี่ยงชั้นสำคัญของหมู่บ้านซึ่งเข้ามาเยี่ยมพบปะอีกครั้งหลอนสกิดนั้นอินให้เดินตรงเข้าไปพบกับพวกนั้นก่อนที่จะเดินเข้ามา ถึงกลุ่มของพี่ชายเพื่อใช้หนานอินเป็นล่ามในกรณีที่ตนเองอาจจะพูดกับโซกาเลได้ไม่กระจ่างชัดนักแล้วก็ตรงเข้าไปสกัดหน้านายบ้านห้วยสือรองไว้ทุกคนของพวกนั้นยิ้มรับหลอนอย่างทักทายซซกาเลอีกไม่นานพวกเราก็จะจากพวกเจ้าเข้าไปในป่าดำเลยนะหลอนพูดน้ำเสียงอ่อนโยนฉันอยากจะคุยกับเจ้าโดยเฉพาะสักหน่อย จะได้ไหมนายหญิงจะคุยอะไรนายบ้านห้วยเสียร้องถามเบาๆบอกพวกนี้เข้าไปพบพวกของฉั้นก่อนแล้วกันและซอกเล่ก็อยู่ที่นี่ก่อนนะดารินสั่งเรียบเรียบนายบ้านห้วยเสียร้องพยักหน้าให้พักพวกที่เดินรวมกลุ่มมาด้วยกันล่วงหน้าไปพบพวกเจ้านายที่มาจากกรุงเทพก่อนตนเองยังคงยืนหน้าตื่นอยู่ตรงนั้น พอพวกนั้นเดินละห่างออกไปราชสกุลสาวก็เดินเข้ามาตบแขนในบ้านวัยค่อนข้างสูงอายุเมื่อหลายปีมาแล้วอ่ะดารินพยายามใช้ภาษาเกรเลียงโดยให้ล่ามคือนั้นอินช่วยน้อยที่สุดแล้วก็ประหลาดใจตนเองเหมือนกันที่สามารถพูดภาษาชาวเขาเผ่านี้ได้คล่องเกินกว่าที่ตัวเองจะเชื่อได้มันคล่องกว่าเมื่อวานๆซะอีก นี่เมื่อหลายปีมาแล้วพรานใหญ่ได้มาวางปางพักอยู่ที่นี่นานพอสมควรเพราะเขาไม่สบายฟังให้ดีนะสกัลเล่พรานใหญ่อาจจะผ่านและมาพักอยู่ที่นี่หลายครั้งมาแล้วแต่ที่ฉันจะพูดถึงนี่หมายถึงครั้งที่เขาได้พบกับ น, นักเสี่ยงโชคเป็นพมา่าคนหนึ่งที่ชื่อเนวินชาวพมา่านักเสียงโชคคนนั้น ได้เดินทางเข้าไปในนรกดำเพื่อมุ่งไปสู่เทือกพระศิวะแล้วเนวินก็สมสารกลับออกมาจากป่าดำเพียงคนเดียวในลักษณะคนเจ็บป่วยหนักใกล้ตายแล้วก็พบกระพรานใหญ่ระหว่างที่พักอยู่ห้วยเสือร้องพอดีพอจะจำได้ไหมตอนนั้นซอซะเกลเป็นในบ้านอยู่ที่นี่หรือเปล่าล่ะกระเหียงดอยพยักหน้าล จำได้สิโซคาล่จำได้โซคาล่เป็นนายบ้านอยู่ที่นี่ในครั้งนั้นเนวินมาเจ็บหนักอยู่ในบางพักของพรานใหญ่พรานใหญ่พยายามช่วยเหลือเขาแต่เขาก็ตายในวันรุ่งขึ้นตอนเช้าถูกต้องไหมโซคาล่ถูกแล้วถูกแล้วนายหญิง มาที่ชื่อเนวินน่ะมาตายอยู่ในอ้อมแขนประคองของพรานใหญ่ตอนนั้นสกกเล่ ก, ก็มายืนดูอยู่ด้วยนะนายหญิงดีแล้วหลักคือฉันอยากจะรู้ว่าในครั้งนั้นน่ะพรานใหญ่เขตั้งปางพักอยู่ตรงไหนของบริเวณห้วยเสือร้องนี่ในบ้านห้วยเสือร้องชี้มือไปทางป่าทึบด้านเหนือของหมู่บ้านนู่น นายรพินไปวางปางพักอยู่กลางดงทางโน้นใกล้ๆทาน้ำไหลอ่ะก็เป็นธรรมดาของแกแหละนายหญิงที่พอมาถึงเขตหมู่บ้านใดแกก็จะไม่นอนในหมู่บ้านนอกจากจะมาเยี่ยมเท่านั้นส่วนมากแล้วก็จะไปวางปางพักอยู่นอกเขตหมู่บ้านเสมอแหละห่างจากที่นี่มากไหมโซคาเล่ก็ เดินแค่อมยาฉุนไม่ทันจืดก็ถึงน่ะนายหญิงอกอเรตต์ตอบถ้างั้นอกอเลตช่วยพาฉันไปตรงนั้นหน่อยได้ไหมตรงที่นายรพินพบกันเนวินระหว่างที่เขาพักอยู่รศในวินก็คงถูกฝังอยู่แถวแถวเดียวกันนึงม่ใช่เหรอยังไม่มีพิธีรีตองอะไรทั้งสิน้นอกอเกตหมุนตัวเดินนำหน้าตัดลานหมู่บ้านตรงเข้าทางด่าน ซึ่งซอกซอนเข้าไปในหมู่ละเมะไม้ทันทีดารินออกตามไปติดติดนานอินจึงเดินตามไปด้วยกระซิบถามว่าไหนหญิงมีอะไรเลิอจะไปทำไมที่นั่นเอาเถิดดาลุงลุงตามมาแล้วกันฉันอยากจะไปเยี่ยมบริเวณที่พักของรพินในครั้งที่เขาพบกับเนวินแล้วก็เยี่ยมดูหลุมฝังศพในวินด้วยก็คงไม่ไกลนักหรอกตามที่อกเล่บอกอะ่ะ หลันหันมาฉุดแขนพรานครูผู้เฒ่าซึ่งมีอาการงงงงไม่รู้เรื่องให้ไปด้วยกันทั้งสามเดินลับจากสายตาพักพวกที่กำลังจัดเตรียมตัวกันอยู่เข้าไปในป่าทันทีภายใต้การนำของซซกาเลซซึ่งออกเดินดุมดุมอย่างรวดเร็วขณะนั้นเองเสียงวิทยุที่เน็บเอลดาริงอยู่ก็ดังเรียกขึ้นน้อยอะไรกันน่ะจะไปไหน นั่นเป็นเสียงของเชษฐาที่ดังถามมาอย่างประหลาดใจห่อนปลดวิทยุขึ้นมาพูดตอบไปดูอะไรใกล้ๆนี่หน่อยเดียวแหละพี่ใหญ่ไม่ต้องห่วงหรอกมีซอกะเล่กับลุงอินมาด้วยไม่เกินสิบห้านาทีค่ะบอกให้รู้ชัดๆว่าจะไปไหนคราวนี้เป็นเสียงกล้าวดุของอนุชาหรือพรานชดแทรกมา น้อต้องการจะไปดูตำแหน่งที่ระพินเคยพักแล้วได้พบกันในวินเจ้าของลายแทงในอดีตฉบับที่ระพินเคยใช้นำทางเราไปติดตามพี่กลางกับลุงอินคราวนั้นน่ปะปวดห่วงงเลยค่ะโซกาเล่บอกว่าไม่กลาหรอกรับรองว่ากลับมาทันก่อนออกเดินทางและทุกคนก็ไม่ต้องตามให้เสียเวลาจัดเตรียมของให้พร้อมแล้วกันอน้อยนี่บ้าไม่รู้จักหายสักที เสียงบ่นดังมาจากวิทยุของชัยยันหล่อนไม่สนใจจะตอบใดๆอีกทั้งสิน้นแล้วก็ตัดความรำคาญปิดสวิต์มือถือขนาดจิ๋วลงซะป้องกันไม่ให้ใครเรียกรบกวนมาอีกตับละเมอเข้าเก็ึกอันเต็มไปด้วยไม้ใหญ่และเผาวันยักษ์แล้วต่อมาอีกหกเจ็ดนาทีของการเดินกันไปอย่างเร่งด่วน ก็มาพบกระเนินราบลงไปสู่ที่รุ่มของลำห้วยบริเวณหนึ่งเหมือนใครจะมาถากถางไว้ให้เป็นที่โล่งขนาดย่อมย่อมข้ามลำห้วยไปฝากตรงข้ามเป็นความทึบทมึนของราวพรอันเต็มไปด้วยไม้ดึกดำบันแต่ละต้นย่อมย่อมก็สามสี่คนโอบมียอดสูงแงนคอตั้งบา่าแล้วก็มาหยุดตรงตำแหน่งหนึ่งใต้ต้นสยาใหญ่ มีโคดหินขนาดย่อมๆงอกอยู่โดดเดียวเพียงก้อนเดียวลักษณะเหมือนแท่นตัระยะว่าห่างจากเขตหมู่บ้านออกมาไม่เกินหกเจ็ดร้อยเมตรตรงนี้แหละที่นายรพินมาวางปางพักอยู่คราวนั้นเนวินตะกายมาจากฝั่งลำห้วยข้างหน้านนนายหญิงโอกาเลชี้มือบอกดารินรีตาลง ตรวจดูบริเวณรอบๆ อ, อันเคยเป็นตำแหน่งที่มาวางแคมป์ในอดีตอันนานมาแล้วก่อนที่หล่อนจะได้พบและรู้จักเขาอาการของหล่อนเหมือนจะเพ่งภาพที่ปรากฏขึ้นในครั้งนั้นให้มาปรากฏขึ้นตรงหน้าและย้อนรำลึกไปถึงคำบอกเล่าวของเขาเองก่อนหน้าที่คณะของหล่อนจะออกเดินทางติดตามพี่ชายมาในครั้งนั้น มันหมายถึงลายแทงที่นักเสียงโชคชาวพมาพ่าผู้เคราะห์ร้ายได้มอบไว้ให้แกจอมพรานด้วยตรงนี้สินะที่เขามาพักอยู่ในคราวนั้นตามคาบอกเล่าหล่อนได้มาพบมันแล้วนั้นอินจุดบุรีใบตองแห้งของแกสูบแล้วยืนมองดูนายหญิงอยู่เงียบๆโดยไม่ได้กล่าวคำใดทั้งสิน้นและศพของเนวินละ่ะ ซซกาเล่ฝังอยู่ที่ไหนอึดใจใหญ่ดารินก็เอ่ยถามขึ้นนูน่นใก ล, ล้ๆริมฝั่งห้วยนูน่นซอกาเล่ยังมาช่วยแกขุดหลุมฝังด้วยเลยก่อนนี้มีหลักไม้อันโตปักไว้เหนือหลุมศพแต่มันก็หายไปนานแล้วสงสัยช้างป่ามันถอนออกแต่ซซกาเล่จำได้นะนะัยิง ถ้งนั้นก็พาเข้าไปหน่อยสิดารินสั่งสั้นๆโซโกาเลเดินนำลงเนินไปในทันทีปัดลงไปยังป่าหญ้าขนดารินและพรานเท่าตามไปอย่างกระชั้นชิดตามหนทางที่ลาดต่ำกว่าระดับที่ยืนกันอยู่เล็กน้อยขนัดนั้นเองโซกาเลผู้นำเดินอยู่เบื้องหน้าก็ชะ ง, งักกึกยืนตัวแข็งทื่อลงอย่างกระทันหันแล้วงเงียบกริบ นั้นอินผู้เดินตามหลังหล่อนก็รั้งแขนหญิงสาวไว้กดให้นิ่งอยู่กับที่พงไม้เตีเต้ยๆริมทางอะไรชนิดหนึ่งโผล่วูบขึ้นมาชูศีรษะร่อนแลบลิ้นอยู่แปลกแปลกแผ่พังพานกว้างขนาดสองฝ่ามือกลางมันคือเจ้าแห่งอสารพิษจงอาง ขนาดลำตัวเท่าหน้าแข้งของชายชะกันห่างออกไปเพียงห้าหกเมตรเท่านั้นเสียงเดินเหยียบกอย่าสวบสาบของมนุษย์ที่ใกล้เข้ามาทำให้มันชูคอขึ้นดูโซกาเล่นั้นแทบช็อกไปแล้วทำอะไรไม่ถูกนอกจากยืนตาเหลือกตัวแข็งเป็นหินดารินขยับตัวอย่างแผ่วเบาอีกครั้ง ไร่พ่นที่ถืออยู่ในมือกำลังจะยกขึ้นแต่ครูพรานกดไล่หลอนบีบแรงกระซิบต่อมาเบาที่สุดนี่นายหญิงอย่ากระดุกกระดิกอย่ายิงไอ้โซกะเลมือเฉยนะอย่าวิง่งหรือส่งเสียงอะไรเป็นอันขาด ดารินจึงต้องชะ ง, งักนิ่งอยู่เพียงแค่นั้นมือจับลูกเลื่อนเตรียมพร้อมจะขยับขึ้นแต่ระยะใกล้แค่นี้และโดยไรเฟิลอันเป็นกระสุนลูกเดียวโดดโดดแบบนี้หล่อนเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะยิงได้ถูกจุดสำคัญคือก้านคอหรือกลางศีรษะของมันหรือเปล่าถ้าหากมันพุ่งตัวเข้ามา เจ้าป่าผู้ไม่มีตีนอันน่ากลัวกว่าสัตว์ร้ายทุกชนิดคงชูคอมองดูสิ่งแปลกปลอมและจ้องตาคัเหม็งอยู่เช่นนั้นหันส่วนหัวติดกรลำคอที่แผ่กว้างอยู่ไปมาดารินสะกดกลั้นลมหายใจหลอนรู้สึกมีกระแสะลมอุ่นๆจากปากของนานอินผู้ยืนอยู่เบื้องหลังเป่าเบาๆผ่านซอกคอ และเสียงพึรรมพำแผ่วเบาเหมือนจะร้เวทอะไรสักอย่างหนึง่งครึ่งนาทีที่ผ่านไปของการประจันหน้ากับมหาภัยโดยที่หลอนไม่ทันรู้ตัวล่วงหน้านั้นมันยาวนานสักร้อยปีก็ไม่ปานและแล้วอย่างอัรรันที่สุดจงอ่างรายที่ชูคอขึ้นก็ค่อยๆลดสีสั์ ต่ำลงต่ำลงทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งลับหายไปจากพุ่มไม้ที่มันโผล่ชูคอขึ้นมาจากนั้นก็มีเสียงเลื้อยบทกิ่งไม้แห้งตามพื้นเคลื่อนห่างไกลออกไปเหมือนจะเปิดทางห้างเอาล่ะสกเล เองเดินต่อไปได้แล้วเสียงนั้นอินบอกมาจากเบื้องหลังเสียงต่ำๆเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นในบ้านห้วยเสือร้องถอนใจเฮื่อราวยกภูเขาออกจากอกอาการคล้ายจะเป็นลมแต่ก็สู้ระงับไว้ดารินเองแข้งขาอ่อนไปชั่วขณะแทบไม่มีแรงเดิน หล่อนจะเคยรู้จักนันอินมาก่อนแล้วเช่นไรก็ตามแต่สำหรับเช้าวันนี้หล่อนรู้จักเพิ่มขึ้นมาอีกชายชาราเผาลาวส้มผู้นี้ถึงจะไม่ใช่รบพินไพรวันก็หนึ่งในอาณาจักรป่าดงพงไพรเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสยเวทอาคมและเป็นการโชคดีมาก ที่หล่อนเอาแกมาเป็นเพื่อนด้วยในการเดินมากับอกอเล่ชาวนี้นี่ขอร้องอะไรสักอย่างนะทั้งอกอเล่และลุงอินเนี่ยอย่าบอกใครเชียวว่าเราพบอะไรเมื่อกี้เนี่ยดารินบอกเสียงเหือดๆอกอเล่ น, นั่นพูดไม่ออกได้แต่ยิ้มแห้งๆส่วนนันอินหัวราอฮือๆในลำคอ เรื่องเล็กน้อยนะนายหญิงทนารอินสกฎมันด้วยอาคมไม่ลงแผ่เมตตาแล้วยังไม่ไปนา้นอินก็จะแผลมันด้วยไอ้นี่ไม่เคยมีเวรกรรมต่อกันมาก่อนมันก็เลยยอมเปิดทางให้เราอะ่ะนายหญิงพร้อมพูดแต่ชูปืนที่ถือในมือให้ดูดารินยิ้มเจนเจือออกมาได้หลอนก็เพิ่งสังเกตเห็นเดี๋ยวนี้เอง ว่าตามปกติแล้วนั้นอินใช้3จุดมเแม็กเป็นไรเฟิลประจำมือแต่สำหรับเช้าวันนี้ขณะที่หล่อนพยักหน้าเรียกให้มาเป็นเพื่อนนี่แกถือลูกซองเบราว์นิ่งออโตห้านัดอันเป็นปืนของพวกลูกหาบคนใดคนหนึ่งมา ก, ก่อนเรากลับจะรู้ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานในยามฉุกเฉินได้ดีกว่าไรเฟิลไอตัวยา ว, ยาว ตั้นคอมีรูปเกือกมาชนิดนี้ฉันกลัวมันสิยิ่งกว่าเสือหรือช้างเสอีกนะลุกขอบใจลุงมากที่ช่วยแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างสงบราบคาบที่สุดครูพรานไม่พูดอะไรเพราะตามปกติแกก็ไม่ใช่คนขี่โออวดตัวอยู่แล้วเป็นคนละประเภทกระตบุญคำกระตุ้นหลังให้หล่อนเดินตามโซกเล่ที่เดินอย่างหวาดหวาดไปข้างหน้า ตำแหน่งอันเป็นที่ฝังศพของเนวินตามที่นายบ้านห้วยเสือร้องนําไม้เห็นนั้นนบัดนี้มันขึ้นรกไปด้วยพงเสือหมอบมองไม่เห็นร่องรอยอะไรอีกแล้วแต่ก็ถูกยืนยันอย่างมั่นคงว่าเป็นตำแหน่งที่ตนเองลูกบ้านห้วยเสือร้องและระพินฝังซากปราศจากวิญญาณของนักเสียงโชคชาวพม่าไวา้ตรงนั้นแล้วก็ใช้มีดถากถางพงนั้นเข้าไป จนถึงบริเวณชนิดจำได้อย่างแม่นยำขึ้นใจแล้วก็ควรจะเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนไปแน่เนื่องจากมันไม่ห่างจากหมู่บ้านเท่าไหรนะักดารินมายืนพิจารณาดูอีกครั้งทางกว่าสายตาไปรอบๆ อ, อย่างถี่ท้วนสถานที่ภูมิประเทศในปา่ามันเปลี่ยนแปลงไปได้รวดเร็วเสมอโดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เป็นตำแหน่ง อันพอจะสังเกตเห็นได้เด่นชัดอาทิเช่นทิวขุนเขาหรือก้อนหินขนาดใหญ่พะมวลวัชพืชจะต้องขึ้นปกคลุมไปหมดแม้เพียงชั่วสาสี่เดือนเท่านั้นเวลานั้นน้ำค้างยังเปียกชื้นไปทั่วบริเวณลำแสงแรกของตะวันเพิ่งจะสาจับท้องฟ้าเท่านั้นระไอหมอกก็ยังคงปกคลุมบางๆอยู่ทั่วไป มาดูหลุมฝังศพคนตายไปตั้งหลายปีแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรขึ้นมาล่ะในหญิงนั้นอินถามอย่างไม่สนใจอะไรนักฉันอยากดูร่องรอยทุกสิ่งทุกอย่างที่ระพินเคยผ่านพบเคยเกี่ยวข้องด้วยนะ่ะลุงหลนตอบอย่างคนที่มีอะไรฝังลึกต็กแน่นอยู่ในใจโดยเฉพาะอย่างหิิง คนที่ถูกฝังอยู่ใต้แผ่นดินนี่อย่างน้อยก็เป็นเจ้าของลายแทงที่มอบไว้ให้แก่เขาแล้วก็มาตายในวงแขนของเขาพร้อมทั้งเล่าอะไรต่อมีอะไรให้เขาฟังซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นก็เป็นต้นเหตุให้พวกเราทั้งหมดสามารถไปตามลุงอินกับแพนชดจนพบไงแล้วหล่อนก็หันมาทางครูพรานลุง ลุงพอจะติดต่อกวิญญาณของเนวินได้ไหมเขาน่าจะให้ประโยชน์ในการติดตามรับพินในเช้าวันนี้ของเราได้มากทีเดียวถ้าลงติดต่อกวิญญาณเขาได้อ่ะครูพรานจ้องหน้าหลอนอย่างแปลกใจย้อนถามมาว่านายหญิงเชื่อในเรื่องนี้ด้วยเหรอฉันเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเต็มลุหลอนกล่าวเน้นคำหนักแน่นจริงจัง ง, งั้นน้นอินจะลองดูแต่จะได้ผลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนายหญิงแต่ก็พยักหน้าบอกมาง่ายๆเหมือนกันแล้วกล่าวต่อมาว่าอ้าวนายหญิงก็ซอกระเล็ก็ถอยออกมาก่อนไปนั่งตรงที่โล่งๆแล้วก็เงียบๆไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นนะเดี๋ยวก็รู้ว่าเนวินยังวนเวียนอยู่แถวนี้หรือไปผุดไปเกิดหรือว่าหล่องลอยไปไหนแล้ว นายหญิงไม่ต้องไปบอกพวกเจ้านายนะว่าเรามาทำอะไรกันตรงนี้รับรองสิลุงฉันไม่พูดหรอกนั้นอินหันไปส่งภาษากับอกะเล่เร็วและเบาเหมือนจะสอบซักอะไรอยู่อีกสองสามประโยคสั่งความกำมันจากนั้นสกะเล่ ก, ก็พยักหน้าทันกิริยาบอกบ้กับหญิงสาวให้ถอยห่างออกไปจากบริเวณ น, นั้น โดยเลือกหาที่โลง่งนั่งสงบลงห่างจากตำแหน่งที่ครูพรานผู้เฒ่ายืนอยู่ประมาณห้าหเมตรหนานอินล้วงย่ามหยิบทูปออกมาดอกหนึ่งจุดขึ้นแล้วปักลงตรงพื้นอันเป็นบริเวณด้านศีรษะที่ได้รับการบอกเล่าจากซอกาเลว่าซากถูกฝังลึกอยู่ใต้แผ่นดินนั้น แลตัวแกเองก็ลงนั่งขัดสมาเธิมือทั้งสองประสานกันวางอยู่บนตักหลับตานี่ในความสังกัดของดงบริเวณนั้นกระแสลมเริ่มพัดโ ช, ชยมาเป็นระลอกแล้วก็แรงขึ้นตามลำดับจนกระทั่งมีอาการเหมือนจะเป็นพายุทั้งที่ปราศจากข้าวมาก่อนผงไพรรอบด้าน ไม่ว่าใหญ่เล็กไกวตัวลู่ระเนนไปหมดเสียงดังอูประมาณแค่สามสิบนาทีเท่านั้นมันก็สงบลงตามเดิมเหมือนจะเกิดขึ้นจากมายากลทูบหมดไปเพียงแค่หนึ่งในสีของดอกนานอินก็ลืมตาแล้วลุกขึ้น พลัเดินออกจากตำแหน่งนั้นตรงมายังทั้งสองที่นั่งคอยกันอยู่สีหน้าไม่สบายใจนักลำบากนายหญิงลำบากทำไมล่ะลุงดารินถามโดยเร็วนันอินล่วงย่ามเอามากแห้งขึ้นมาอมวิญญาณของคนตายมันยังไม่ไปไหนหรอกนายหญิง ยังวนเวียนอยู่แถวนี้แหละนานอินเรียบโผล่จากดินขึ้นมาครึ่งตัวแล้วแต่พอจะถามทท่านั้นแหละไอ้ยักษ์ตัวสูงเท่ายอดกลางก็มายืนคร่อมแยกเขี้ยวยิงฟันที่หน้านานอินแล้วก็เหยียบหัวเนวินให้จมลงไปใต้ดินตามเดิมมันไม่ยอมไม่คนตายบอกความอะไรทั้งนั้นซ้ำยังประกาศอีกว่าท้าไมอยากตาย ไอ้ถอยกลับกันไปเสียฌานของหนานอินยังไม่แก่กล้าพอสกดเจ้าปลาที่เป็นยักษ์รายไม่ลงเวลาก็ไม่มีมากนักไหนงั้นจะลองริบกะมันสักตั้งเรากลับกันเถอะป่านนี้พวกเจ้านายคงรอกันงุ่นง่านไปหมดแล้วล่ะนายหญิงราชสกุลสาวขยี้ปลายจมูกอย่างผิดหวัง ยืนลังเลอยู่ครู่หล่อนอยากจะลองนั่งทูบ้วยตนเองดูบ้างแต่เกรงว่าพวกพี่ๆจะมาตามหรือเห็นผิดสังเกตเกินไปจึงพึมพำกับหลุมศพของเนวินว่าจุติจุดตังอรหังจุติขอให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะเนวินฉันไปก่อนละ แล้วลอนก็โบกมือกับซอกะเล่เป็นความหมายให้ถอยกลับด้วยกันทั้งหมดพอเฉียดแท่นหินใหญ่อันเป็นตำแหน่งที่ระพินเคยวางแคมป์อยู่หลอนก็เอานิ้วแตะริมฝีปากส่งจูบแตะไว้ที่หินก้อนนั้นก่อนที่จะเดินผ่านไปนึกอยู่ในใจว่าสุดที่รักเธอคงจะไม่มีวันรู้หรอกว่าบัตรนี้ ฉันได้ติดตามมาถึงตำแหน่งที่เธอเคยเล่าฉันฟังไว้ในสมัยก่อนนี้แล้วซึ่งในครั้งนั้นฉันฟังเป็นเรื่องนิทานที่เธอกุขึ้นเองเสียมากกว่าเอาล่ะวันนี้เป็นตายยังไงฉันก็จะตามเธอเข้านรกดำแล้วมันเป็นแต่เพียงการเริ่มต้นเท่านั้นขอเทพ ย, ยดาอารักจงปกปักคุ้มครองเธอไว จนถึงเวลาที่ฉันตามไปพบเธอและถ้าเธอจะถึงที่ตายก็ขอจงตายในอ้อมแขนของฉันเหมือนเหมือนกับที่เนวินเคยมาตายในอ้อมแขนของเธอรอฉันนะรอฉันรอฉันที่รักเมื่อทั้งสองเดินกลับมาถึงแคมป์ในหมู่บ้านพวกพี่ๆและทุกคนรอคอยพร้อมอยู่ก่อนแล้ว อนุชาหน้ามุยมองนาฬิกาข้อมืออยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้พูดตำหนิอะไรเชฐานั้นน่ารักสำหรับน้องสาวคนเล็กตามเคยกวักมือเรียกเข้าไปใกล้าถามว่าเป็นไงน้อยพบที่ทีรพินเคยมาพักแรมแล้วก็หลุมฝังศพของเจ้าของลายแทงในอดีตแล้วเหรอน้องสาวฝืนยิม้มพบแล้วค่ะเออแล้วมีอะไรน่าชื่นใจมากไหม ชายันถามมาบ้างดารินไม่เอาใจใส่ต่อการเสียดสีกึ่งเย้าแย่นั้นกลมลงคว้าเป้หลังขึ้นมาสะพายไหล่และจัดเครื่องแต่งกายให้รัดกุมพวกลูกหาบทั้งหลายมัดของเสร็จเตรียมหาบหามและตั้งขบวนแล้วพวกกระเหรียงยังมุงรายล้อมอยู่เต็มไปหมดคราวนี้ดูเหมือนจะออกกันมาทั้งหมู่บ้านเต็มลานแดดเช้าเริ่มจะสาดแสงอบอุ่นลงมาอาบบริเวณแล้ว นี่น้อยเรามีข่าวใหม่ล่าสุดนะพี่ชายใหญ่บอกมายิ้มยิ้มพวกนี้เพิ่งบอกเราเมื่อกี้นี้เองข่าวอะไรครับพี่ใหญ่ก็เต็นต์กระโจมพักนอนของพวกอเมริกันที่ใช้กันมาตลอดระยะทางจากหนองน้ําแห้งจนถึงที่นี่ไงพวกนั้นไม่ได้เอาไปด้วยนะฝากทิ้งไว้ที่หมู่บ้านนี่เองเพราะมันเป็นภาระหนักสําหรับการแบกหามตังแต่ที่นี่เป็นต้นไปพวกเขาไปแบบเดียวกับพวกเรานี่แหละ คือไม่มีเต็นต์สำหรับกลางนอนอีกแล้วอย่างมากก็แค่ผ้าใบปูนอนแล้วก็ผ้าพลาสติกกันน้ําข้างหรือฝนมันก็แสดงว่าพวกเขารู้ตัวอย่างแน่ชัดแล้วว่าเขาจะต้องนอนกลางบินกินกลางทรายอย่างแท้จริงไม่ใช่การเดินทางแบบผู้สํารวยแล้วก็ไม่เลวทีเดียวแหละจักว่าเป็นหน่วยพจญภัยพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกระทุกสิ่งทุกอย่างได้เสมอไม่มีใครมาห่วงความสะดวกสบายอีกแ ล, แล้วะ ก็คงจะเหมือนเหมือนกับที่เราเคยตามพี่กลางกะลุงอินไปถึงหล่มช้างและเห็นทั้งสองคนทิ้งเกวียนกับเท้าของที่ไม่จําเป็นอื่นๆไว้กับขยินละมั้งครับพี่อืมก็ทํานองนั้นแหละพระราเบกหามน่ะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะแต่ทั้งหลายแหล่ก็คงเป็นการแนะนําจากกระพินนั่นแหละเพื่อให้เกิดความคล่องตัวขึ้นชยันบอกเดินเข้ามาโอบกอดดารินด้วยความรู้สึกของพี่ชายคนหนึ่งพร้อมกระถามว่าพร้อมแน่นะ สำหรับวันนี้แล้วก็วันต่อไปในนรกดำข้างหน้านอนแน่นอนพร้อมเสมอไม่ว่าไปหรือตายละ่ะดีดีมากดีมากเรื่อเดินทางของเราวันนี้ตามการดูเรือกลมของพ่อพรานชดเขาก็8ปดนาฬิกาสิบห้านาทีตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกสิบนาทีเท่านั้นแหละดารินพยักหน้าและถือกันไกลกะหวีและแปลงผม เดินตรงก็ไปหาพี่ชายใหญ่บอกเสียงเบาแต่เด็กเดี๋ยวว่าพี่ใหญ่คะ่ะยุค ก, ก่อนนี้นวันที่เราจะผละออกจากกลงช้างเพื่อเข้านรกดำพี่ใหญ่เป็นคนตัดผมให้น้อยวันนี้ที่ห้วยเสือร้องพี่ใหญ่ช่วยจัดการปรงผมให้น้อยอีกสักครั้งเถอะค่ะเอาให้สั้นที่สุดเหมือนคราวนั้นจะได้ไม่เ ก, ก, กะกะค่ะพี่ใหญ่แห่งตระกูลหัวเราะ รับกันไกลและมีดโกนซอยผมออกมาทันทีก็กําลังจะเตือนอยู่เหมือนกันแหละว่าให้ตัดผมได้แล้วมาๆนั่งตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่ตัดให้เองดารินทุดตัวลงนั่งกับกองสัมภาระเอาผ้าขาม้าของชายันที่ยื่นส่งให้คลุมไหล่แล้วหันหลังให้พี่ชายเส้นผมยาวเป็นคลื่นงามสัมผัสกับความคมของกันไกลขาดออกเป็นปอ ย, ปอย หมดสิ้นกันสีทีสำหรับความงามที่ควรจะอยู่ในเฉพาะแสงสีแห่งอารยธรรมมันเป็นสัญญาณแห่งการประกาศศึกของหญิงสาวผู้หนึ่งซึ่งมีนามว่าดารินวราฤทธิ์แล้วสัญลักษณ์ที่พร้อมะจะผจญกับความตายได้ทุกขณะจิตไม่กี่นาทีหลังจากนั้นนรกดำป่านอกพ้นการสำรวจก็เผชิญหน้ากับทุกคนผู้กาลังจะเหยียบย่างเข้าไปสู่ จะตายหรือจะรอดกลับมาพ้นจากความที่จะต้องมาคิดคำหนึ่งอนุชาวราริศครอบหมวกที่ห่อยอยู่สวมสีสันยืนอัดควันบุรีจากก้นที่เหลือกุดอยู่เบื้องหน้าทุกคนลูกหาผ้าคู่แบกของขึ้นบ่าขยินนานอินแยกกันออกตรวจดูความเรียบร้อย ท่างกลางการรายล้อมของพวกห้วเสือร้องและตะเคียนทองสอกัลเล่และโบเมียสองนายบ้านรวมทั้งสอเองยืนซึมเงาหงอยสิ่งของเครื่องใช้อันไม่จำเป็นหลายสิ่งหลายอย่างถูกมอบไว้ให้แก่พวกเกรเรียงหมู่บ้านสุดท้ายอันเป็นชมรมของมนุษยชาติที่พอจะเข้าใจภาษามนุษย์ด้วยกันได้เครื่องวิทยุติดตัวของแต่ละบุคคลถูกเปลี่ยนฐาน และทดสอบว่ามันจะทำงานได้ดีที่สุดปืนพกสั้นขนาดหนักที่เคยติดเอวกันอยู่บัดนี้ถูกสอดเก็บไว้ในเป้หลังคงมีก็แต่มีดโบวีคมกริบเท่านั้นที่ติดเข็มขัดอยู่การผ่านปจนภัยมาก่อนแล้วสอนให้ทุกคนรู้จักดีว่าเมื่อไรเฟิลอยู่ในมือแล้วปืนพกสั้นก็เป็นสิ่งรองลงไปมีความจาเป็นน้อยกว่ามีดมากนะัก ยกเว้นเวลาจําเป็นจึงจะลวงขึ้นมาใช้เท่านั้นดีกว่าพกติดสองข้างเอวให้ทวงหนะักเราขอขอบใจพวกเจ้าทุกคนที่ให้ความร่วมมืออย่างดีที่สุดพรานชดอนุชาวราริธิประกาศก้องเป็นภาษาชาวดอยเพราะพูดคล่องกว่าทุกคน แล้วเราก็กำลังจะจากพวกเจ้าไปน บ, บัตนี้แล้วสู่เส้นทางที่มนุษย์คนใดก็ตามเหยียบเท้าเข้าไปแล้วยากจะมีชีวิตรอดกลับออกมาได้เราอาจจะหายสาบสูญไปเลยหรือเราจะกลับมาได้อีกครั้งผีสางเทวดาเท่านั้นที่จะรู้ได้แต่เราขอให้สัญญาว่า เราจะตามระพินไพรวันจนกว่าเราจะตายหรือจะพบเขาถ้าเราไม่ตายรอดชีวิตกลับมาได้เราจะย้อนกลับมาทางด้านห้วยเสือร้องของพวกเจ้าอีกครั้งและบัดนี้ขอลาก่อนเพื่อนยากทุกคนบรรยากาศของลาน อันชุมนุมด้วยชาวป่าร่วมร้อยนั้นเงียบกริบตะวันฉายแสงแรงขึ้นทุกขณะหมอกจางลงไปทุกทีซอกะเล่โบเมียและสะเอิงมีหยาดน้ำตาซึมแล้วทั้งสามคนก็ตะโกนขึ้นว่าขอให้เจ้านายทุกคนตามนายรบพิมกลับมาด้วยความปลอด เอาอูทากพาพโตคนของเรากลับมาด้วยขอยผีมาผีเขาผีห่วยผีทานคุ้มครองเจ้านายและพวกที่ไปในครั้งนี้ทุกคนนันอินจบไรเฟิลจุดสามเจ็ห้าแม็กประจำตัวของแกขึ้นเหนือสีสระภาวนาอยู่กึ่งอึดใจ ก็ส่งปากกระบอกปืนขึ้นท้องฟ้าเนียวไกลั่นตูมสนันเป็นการเบริกไพรมรณะเสียงของมันดังกระหึมคำรามก้องไปทั้งหมู่บ้านและป่าเขาที่แวดล้อมอยู่ตะวันพ้นตัวออกจากกลีบเมฆทอแสงสุกตังอารามจ้าณับัดนั้น ดารินวราฤทธ์นำรุ่นหน้าไปก่อนแล้วโดยเลือกเส้นทางระยะแรกที่พวกห้วยเสือร้องที่บอกถึงการบ่ายหน้าไปของระพินเมื่อสามวันก่อนมีอนุชาและนานอินทอดระยะเดินตามหลังห่างประมาณสิเมตรซึ่งทั้งสองเริ่มใช้ความพินิษ์พิจารณาอย่างทีท้วนรอบคอบและระมัดระวังเพิ่มขึ้นผิดไปจากทุกครั้ง นานๆนนก็จะซุบซิบหารือกันสักทีหนึ่งสำหรับเชษฐาชยันเกบคู่ทอดระยะห่างออกมาอีกเล็กน้อยเพื่อมองเห็นการเคลื่อนไหวเบื้องหน้าได้ถนัดโดยตลอดมันไม่มีประโยชน์อะไรในการที่จะไปบีบบังคับหรือฝืนใจน้องสาวคนเล็กให้เข้ามาเดินรวมกลุ่มอยู่ใกล้ๆเพราะรู้ทั้งนิสัยแล้ว ความรู้สึกนึกคิดดีอยู่แล้วคงกำหนดไว้ในใจกันแต่เพียงว่าจะไม่ยอมให้หลอนห่างพ้นจากสายตาเท่านั้นและในระยะที่เว้นทอดกันพอสมควรขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นก็ย่อมที่จะช่วยเหลือกันได้อย่างทันการเจ้าอดีตนักเลงโตล่มช้างนั้นหน้าที่ประจำของมันที่รับมอบมาตลอดก็คือคุมท้ายขบวน ป้องกันไม่ให้เสือหรือสัตว์ร้ายอะไรมาแอบเล่นงานคนเดินหลังสุดยกเว้นในกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็อาจจะถูกเรียกให้ย้ายไปทำหน้าที่อื่นขบวนการเดินทางได้วางรูปแบบและซักซ้อมความเข้าใจกันไว้อย่างดีแล้วไม่ว่าจะในายามสภาพปกติหรือสภาพที่เกิดฉุกเฉินเร่งด่วนอันหมายถึงอันตรายซึ่งจะจู่โจมมาในรูปแบบต่าง ความคุ้นเคยมาก่อนของบุคคลขนาดนี้ช่วยให้เกิดความคล่องตัวสูงและจะทันต่อเหตุการณ์ทุกชนิดหรือไม่จําเป็นที่ใครจะต้องคอยเป็นห่วงใครเกินไปนักกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็เห็นจะเป็นพวกลูกหาผ้าคู่สิบคนนั่นแหละเพราะถึงแม้จะเป็นลูกป่าโดยสายกําเนิดแต่ประสบการณ์ในป่าอันดูร้ายอันตรายอย่างแท้จริงเช่นนรกดํา ที่กำลังต้าวลึกเข้าไปนี้พวกเหล่านี้ไม่เคยมาก่อนเลยเทถาอันเป็นหัวหน้าคณะจึงกำชับให้ทุกคนคอยทำหน้าที่พิทักษ์คุ้มครองพวกลูกหาบเป็นพิเศษถ้าหากเกิดอันตรายใดๆขึ้นราชสกุลสาวณันะบะนี้เดินไปด้วยลักษณะของนักเดินป่าอาชีพอย่างแท้จริงไม่เหลียวหลังกลับมาดูใครทั้งสิ้น สังเกตทุกทิศทางร่องรอยรอบด้านระหว่างฐานตามที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วจากบุคคลที่หลอนกำลังออกติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยความมุมานะัะและพลังใจที่มั่นคงเด็ดเดี่ยวยิ่งรู้จะแข็งแรงปราดเรียวและเดินเร็วกว่าทุกครั้งนับตั้งแต่ออกจากหนองน้ำแห้งมาเวลาล่วงพานไปเป็นลาดับจากสภาพไร้ซาก เริ่มล่วงเข้าสู่ป่าแดงสลับไปกระทุ่งแฝกร่องรอยของคณะระพินที่ล่วงหน้าไปก่อนแค่สามวันเห็นชัดอยู่เป็นระยะระยะตะวันลอยตัวสูงขึ้นทุกขณะอากาศเริ่มเปลี่ยนจากความเย็นสดชื่นของเวลาเชา้ามาเป็นร้อนระอุอ้าวขึ้นทุกขณะหนึ่งชั่วโมงแรกไม่มีการหยุดลังเลเพื่อคำนวณหาเส้นทางเลย เพราะอนุชาขีดเส้นกำหนดไว้แล้วนั่นคือทิวขุนเขาที่แลเห็นขวางลิบลอยู่เบื้องหน้าโดยสั่งให้ายหน้าตัดตรงเข้าหาก่อนแล้วก็ไม่มีการพูดจาอะไรกันทั้งสิ้นขบวนทั้งหมด16คนเดินกันไปอย่างเงียบเชียบที่สุดเส้นทางเดินยังจับว่าอยู่ในระดับพื้นราบสลับไปกับลักษณะภูมิประเทศทุ่งบ้างละเมาะบ้าง แล้วก็ด่งบ้างไม่มีวิแววของสัตว์ใดๆให้เห็นเลยนอกจากเยียวที่ถลาร่อนอยู่บนยอดกิ่งไม้แล้วกิ่งกาตัวขนาดข้อมือมีหนามเต็มตัวไปหมดก่อนจะล่วงเข้าทุ่งแฝกอีกช่วงหนึ่งซึ่งสูงท่วมศีรษะอันมองเห็นอยู่เบื้องหน้าขนาดที่เชียดผพานปลวกสูงปกคลุมไปด้วยขอยทึบ ทุกคนเห็นดาลินผู้เดินนำอยู่เบื้องหน้าหยุดชะงักและจับไรายฟ้นขึ้นในท่าเฉียงอยางฉับพลันอาการเตรียมพร้อมร่างของหล่อนยืนสนิทนิ่งแล้วก่อนที่ใครจะทันร้องถามอะไรออกไปนั่นเองก็ปรากฏเสียงคำรามสะเทือนเลื่อนลันเสียงเอ้าแล้วลงท้ายหึมก็หึมไปทั้งความเงียบอนุภาพแห่งเสียงคำรนนั้น ดูราวกับว่าทุกกิ่งก้านสาขาของพุ่มไม้ไหวสะเทือนไปหมดน้อยอนุชาผู้อยู่เบื้องหน้าแต่ใกล้กว่าทุกคนตะโกนลั่นไม่ทันขาดคำร่างของน้องสาวคนเล็กก็เบี่ยงแวบไรฟอนที่ถือเสปากกระบอกอยู่กดวูบลงพร้อมกันก็มีเสียงแผดระเบิดแหลมของกระสุนกรบสำเนียงใดลงทั้งหมด มันดังเปรี้ยกรแล้วก็ตามมาในทันทีด้วยเสียงกำปนาตแสบแก้วหูอะไรชนิดหนึ่งที่พุ่งลอยสวนเข้าใส่มองหินแวบเป็นทางเหลืองสลับดำจากลำแสงของตะวันที่ลอดกิ่งไม้ลงมาพลิก้วนตางอากาศเหนือสีสากของดารินขณะนี้แล้วตัวหล่อนเองก็เพนชาเข้าข้างทางในชั่วพริบตา เสียงมันหล่นลงมากระแทกกับพื้นราวกับกระสอบเข้าสารโยนลงโดยเร็วดินหมุนปัดเป็นวงกลมฝุ่นและใบไม้แห้งตลบเสียงอนุชาเาชิาชยันร้องอย่างตกใจออกมาพร้อมๆกันแล้วตะวัดไรเฟ้ลประจาตัวขึ้นแต่มันไม่จำเป็นใชแล้วสัตว์ร้ายตัวยาวขนาดโซฟาเคืองๆมีลายดำสลับเหลืองและขาว เห็นชั่วแวบเดียวก็รู้ว่าเป็นอะไรบัตรนี้หยุดการเคลื่อนไหวอย่างอื่นแล้วจะมีก็แต่อุ้งเท้าทั้งสี่ด้านที่เยียดเกรงและส่วนปลายสั่นอยู่ริกริกในสภาพนอนตะแคงกับพื้นไม่มีสัญญาณใดๆที่ส่อให้เห็นว่ามันสามารถจะเพ่นผลขึ้นมาอีกได้เลยหรือแม้แต่จะขยับตัวทั้งหมด แม้กระทั่งลูกหาบและขยินวิ่งฮือเข้ามาโดยปลงของที่แบกหามชั่วคราวเสียงตะโกนเสียงร้องถามดังแซดฟังไม่ได้สับคู่ของนานอินและพรานชดุดแล่นเข้าถึงร่างนั้นก่อนตามติดมาด้วยคู่ของเชษฐาและชัยยันส่วนดารินกระชากลูกเลื่อนสลัดตอกทิ้งแล้วในทันทีที่ยังประชัดอยู่กระไหลผลักนัดใหม่เข้ารังเพลิงเร็วจนดูไม่ทัน เจ้าสิง น, นั้นคือลายพาดกรองขนาดเคื่องเต็มที่เท่าเสือเบงกอลอันจัดว่าเป็นเสือโคร่งชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ก็เป็นขนาดธรรมดาที่สุดของเขตป่าดามันหยุดการชักกระตุกแล้วเลือสดสดๆทะลักเป็นริ่มๆออกมาจากปากที่อ้าค้างของมันกับบาดแผลที่ทะลุออกกลางกมอง่อมซึ่งกระสุนจุดมย์นมกต้ควาน ทำให้กระโหลกเท่ากระบุงย่อมย่อมแว่งหายไปชิ้นเกือบฝ่ามือโดยลักษณะบาทแผลการยิงอย่างเชียบขาชนิดนี้ทุกคนที่เห็นรู้ดีว่ามันหมดฤทธิ์กลางอากาศก่อนที่จะหล่นลงพื้นด้วยซ้ำส่วนที่ยังเห็นดินเป็นวงกลมเมื่อตกลงถึงพื้นนั้นเป็นไปด้วยอำนาจบังคับของปราศาทเท่านั้นมองเลยไปเบื้องหน้า ระดับต่ากว่าเล็กน้อยอันหางออกไปราวแดเมตรคือซากของกระทิงย่อมย่อมตัวหนึง่งถูกกัดกินทางด้านท้องเข้าไปแล้วเกือบครึ่งตัวนอนขาต่างอยู่ครูพรานพี่ชายทั้งสองและเพื่อนมองไปทางน้องสาวคนเล็กซึ่งยืนถือไรเฟิลรีตามองดูเสือตัวนั้นอยู่ใบหน้าของหลอนเงือชุ่มโชกทุกคนเงียบไปขณะจิต มีแต่ขยินและพวกลูกหาเท่านั้นที่โวยวายกันอยู่ระหว่างเข้ามามุงดูซากเสือใหญ่พี่ชายกลางขยี้ปลายจมูกอย่างหงุดหงิดแต่ไม่พูดอะไรชายันเองก็นิ่งได้แต่โคลงหัวมองหน้าหญิงสาวเฉยพี่ชายใหญ่เท่านั้นที่เข้ามาใกล้กๆพูดเสียงต่ําๆว่านี่น้อยคราวหลังถ้าจะยิงก็ยิงเลยนะ อย่าปล่อยให้มันชาร์จกระจนก็ใส่แบบนี้มันอันตรายหรือเกินถ้ากระสุนนัดนั้นไม่ถูกเธอก็แหลกไม่เสียใจค่ะพี่ใหญ่หล่อนตอบเบาๆบรรจุกระสุนเพิ่มเติมแทนนัดที่ยิงไปแล้วให้เต็มอัตราตามเดิมความจริงน้อยไม่ตั้งใจจะยิงมัหรอกพอพ้นเนินปลวกก็เห็นมันสองตัว กำลังหมอบแทะซากลูกกระทิงนั่นอยู่รู้สึกว่ามันจะหิวแล้วก็ห่วงเหยื่อมากครั้งแรกนึกว่ามันจะเพ่นหนีไปปรากฏว่าไอ้ตัวเล็กมันเพ่นหลบเข้าทุ่งแฝกแต่ไอ้ตัวนี้ลนบุ้ยปากไปที่ซากมันกระโจนเข้าใส่น้อยทันทีแต่โชคน้อยดีกว่ามันที่กระสุนฟลุกเข้าปากแล้วทะลุออกกลางหัวถ้าผิด อย่าว่าแต่มันจะขย้ำหัวน้อยแหลกเหลวไปเลยเอาแค่น้ำหนักตัวหล่นทับน้อยก็คอหักแล้วล่ะชยันสกิดแขนแล้วบอกมาเรียบๆว่าฉันและพวกเราทุกคนก็รู้นะว่าเธอคือลูกศิษย์เอกของรพินไพรวันแต่โทษทีเถอะถงยังไงเธอก็ไม่ใช่รพินเพราะฉะนั้นฉันม่าอย่าทาอะไรตามอย่างอาจารย์ให้มันมากนักนะ ยังไงยังไงชั่วโมงบินมันก็ยังห่างกันหลายขุมน้อยดาริมเงียบไม่โตเถียงอะไรทั้งสิน่นหล่อนยิงเสือมามากแล้วก็จริงแต่ก็ไม่เคยมีครั้งใดที่จะยิงแบบชนิดสวนหน้าขณะที่มันกระโจนเข้าใส่ในระยะประชิดแบบนี้มาก่อนและโดยแท้จริงมันก็เป็นเจตนาของหล่อนเองที่จะรอจังหวะให้มันกระโจนเข้าใส่ซะก่อน ซึ่งเพื่อนและพี่ชายทั้งสองก็รู้เท่าทันดีนรกดังเบิดฉากต้อนรับหลอนและคณะทุกคนแล้วเพียงชั่วโมงเศษเศ ษ, เศษที่ล่วงล้ำเข้ามาเท่านั้นนั้นอินก็ได้แต่บ่นอุบอิบอยู่ในลำคอว่านายหญิงหญิงเสือแบบนี้ไม่ดีเลยนะไม่มีพรานหรือนักล่าสัตว์คนไหนก็ทําะรับจะมีก็ได้นายรพินคนเดียวเท่านั้นะ นัน้นเองยังไม่กล้ายิงแบบนี้เลยเอา้าก็แลกกันสิลุงหลอนบอกด้วยสีหน้าราบเรียบปกติไม่ส่ออาการยินดียินร้ายถ้าเรายิงผิดเขาก็เอาชีวิตเราไปแต่ถ้าเรายิงถูกเขาก็จบสิ้นชีวิตกลิ้งโคโลอยู่นั่นมันก็ยุติธรรมดีที่สุดแล้วนี่ลุง ฉันบอกแล้วไงฉันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเขานอกจากจะป้องกันตัวเท่านั้นแหละขยินและพวกพรานพื้นเมืองทุกคนมองดูนายหญิงแล้วกระเดือกน้ำลายลงคอฝุดฝดโดยเฉพาะพวกหน้องน้ำแห้งอันเป็นลูกหาบมาด้วยเคยได้ยินได้ฟังแต่เฉพาะบุญคำเกิดเซยแล้วก็จันเล่าเท่านั้นว่านายหญิงคนนี้นะ่ะมีฝีมือขนาดไหน ก็เพิ่งจะมาเห็นกันชัดๆจะ จ, ก, จกตาเอาเดี๋ยวนี้เองหูยผู้หญิงอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมาะแล้วที่เป็นเมียของนายราพินนตาบหัวหน้าลูกหาบซุบซิบกับพักพวกที่มายืนตะลึงดูซากเสืออยู่อย่างเบาที่สุดนานอินโบกมือไล่พวกนั้นให้ไปทำหน้าที่หาหามสัมภาระที่กองทิ้งไว้ตามเดิมแล้วคราวนี้ ทั้งสี่คนของฝ่ายเจ้านายจึงเดินไปพร้อมๆกันโดยผ่านซากเสือและเหยื่อที่มันกัดกินกันไว้อย่างไม่หันมาสนใจอะไรอีก